สิบห้ารษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก่อนที่จะกราวถึงสวรรค์หกชั้นนี้น่าจะนึกถึงลักษณะของจักรวาลคือ โลกที่มีเขาสีเนรุเป็นแกนกลงางมีเขาสตตะบริพันต์คือเขาล้อมรอบเจ็ดชั้นซึ่งมีสีทั้งดอนมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างตั้งเป็นรูปร่างขึ้นไว้ก่อนภูมิสวรรค์อยู่พ้นทวีปทั้งหลายซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์เช่นชมพูทวีปซึ่งมีอินเดียเป็นศูนย์กลางจึงอยู่พ้นป่าหิม พ, พผ่านพ้นภูเขาหิมวันตะหรือหิมาลัยพ้นมหาสมุทรแห่งทวีปทั้งปวง แล้วถึงภูเขาสัตตบริพันธ์ตั้งต้นแต่ภูเขาสุขสนะจนถึงภูเขาอัสักันนะจึงเป็นอันถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเพรายอดเขาสัตตบริพันธ์เหล่านี้เองเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชสีองค์กับบริวาร น, นับเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าจาตุมหาราชิกท้าวมหาราชสี่องค์นี้แบ่งกันครอบครองดังนี้ด้านทิศตะวันออกของเขาสุเนรุ เป็นที่อยู่ของ ท, าท้าทตรลัทมีพวกคนทันเป็นบริวารถัดออกไปเป็นปุพภะวิเทหทวีปด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าวิรุณหกมีพวกกุมภัณ์เป็นบริวารถัดออกไปเป็นจมภูทวีป พ, พวกกุมภันนี้ท่านอธิบายว่าได้แก่ทานพระรากสะสัพด้านทิศตะวันตกของเขาศิเนรุเป็นที่อยู่ของท้าวิรูปัตมีพวกนาคเป็นบริวาร ถัดออกไปเป็นอมรโครยามทวีปด้านทิศเหนือของเขาสุเนรุเป็นที่อยู่ของเท้ากุเวนมีพวกยักษ์เป็นบริวารถัดออกไปเป็นอุตรากูรุทวีปท้ามหาราชทั้งสี่ครองอยู่สี่ทิศของเขาสุเนรุมีกล่าวถึงในอาตานติยสูตรดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วหน้าที่ของท้ามหาราชทั้งสี่และบริวารตามที่กล่าวไว้คือเป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อป้องกันพวกอสูร ซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นนาวดึงจะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์ชั้นนั้นแต่ในสุตตะตันติวิโดติกันิบาตได้มีแสดงหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจ ด, ดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของมู่มนุษย์อีกด้วยแสดงเป็นพระพุทธภาสิตมีความว่าในวันแปดค่ำแห่งปักอมาดบริษัทของท้ามหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจ ด, ดูโลกในวันสิบสี่ค่แห่งปักบุตรทั้งหลายของท้ามหาราชทั้งสี่ เที่ยวตรวจดูโลกในวันสิบห้าค่ำแห่งปักท้ามหาราทั้งสี่เที่ยวตรวจดูโลกเองว่าพวกมนุษย์พาการบำรุงมารดาบิดาบำรุงสัมรารามเคารพมอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาอุโบสถทาบุญกุศลมีจำนวนมากด้วยกันอยู่หรือเมื่อตรวจดูแล้วถ้าเห็นว่ามีจำนวนน้อยก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งประชุมกันในสุทธรรมสภา พ, พวกเทพชั้นดาวดึง ไม่ได้ฟังดังนั้นก็มีใจหดหูว่าทิพย์พยากรณจักรถถอยอสุรกายจักเพิ่มพูนแต่ถ้าเห็นว่าพวกมนุษย์พากันทําดีมีบํารุงมารดาบิดาเป็นต้นเป็นจํานวนมากก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดิ่งเหมือนอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดิ่งก็พากันมีใจชื่นบานว่าทิพยากายากจับเพิ่มพูนอสุรกายจักลถถอยเรื่องนี้แสดงสอดคล้องกับปฏิทินที่ว่า ท้ามหาราชทั้งสี่มีหน้าที่เป็นจ้าตุโลกบาลคือเป็นผู้คุ้มครองโลกทั้งสี่ทิศตามที่เชื่อถือกันมาเก่าก่อนพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทำเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกไว้สองข้อคือฮิริความละอายใจที่จะทําชั่วโอตัปปะความเรกรงกลัวต่อความชั่วเพราะเหตุนี้จึงไม่ให้กล่าว ให้เท้ามหาราชทั้งสี่ทำหน้าที่คุ้มครองโลกโดยตรงจะไม่กล่าวถึงเลยก็จะขัดขวางต่อความเชื่อของคนทั้งหลายจนเกินไปจึงกล่าวเปลี่ยนไปให้มีหน้าที่เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ว่าได้พากันทําดีมากน้อยอย่างไรแล้วก็นําไปรายงานพวกเทพชั้นดาวดิงพวกเทพชั้นนั้นได้รับรายงานแล้วก็พิงแต่มีใจชื่นบานหรือไม่เท่านั้นเห็นได้ว่าท่านผู้รวบรวมร้อยกองเรื่องนี้ ในพระสุตตะตันปิฎกต้องการจะรักษาเรื่องเก่าที่คนส่วนมากเชื่อถือด้วยวิธีนำมาเล่าให้เป็นประโยชน์ในทางตักเตือในให้ทำดีเหมือนอย่างที่มีคำเก่ากล่าวไว้ว่าถึงคนไม่เห็นเทวดาก็ย่อมเห็นคือแสดงจตุโลกบาลที่เขาเชื่อกันอยู่แล้วในทางที่อาจเข้าใจเป็นธรรมทิสฐานซึ่งเป็นข้อมุ่งหมายโดยตรงถึงจะเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริง แล้วมาคอยตรวจดูโลกว่าใครทําดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่เสียหายรับจะดีเพราะจะได้เกิดความลอายกลัวเกรงว่าจะตุโลกบาลจะรู้จะเห็นว่าทําไม่ดีหรือไม่ทําดีอันหนุนให้เกิดเฮริโอตาปะขึ้นได้ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อซิอีกอาจจะร้ายกว่าเพราะไม่มีที่ละอายยำเกรงเว้นไม่แต่จะมีภูมิธรรมในจิตใจดีอยู่แล้วหรือมีที่ละอายยำเกรงอย่างอื่นแทนอยู่ วันที่ท่านกล่าวว่าจ่าตุวโลกาบาลมาตรวจดูโลกเดือนหนึ่งมีไม่กี่วันดูเหมือนจะมีน้อยไปแต่คงไม่หมายความว่าตรวจกรรมของคนเฉพาะวันนั้นวันอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยควรเข้าใจว่าตรวจดูรู้ย้อนไปถึงวันอื่นและระหว่างที่ไม่ได้ลงมานั้นด้วยตัวของเราเองทุกๆคนนึกย้อนตรวจดูกรรมของตนภายในเจ็วันยังจําได้ฉันให้โลกาบาล จะไม่รู้กรรมที่ตนเองทําแม้จะลื่นไปแล้วโลกาบาลก็ต้องรู้เมื่อเชื่อว่าโลกาบาลมีจริงก็ควรจะเชื่ออย่างนี้ด้วยจึงจะเป็นโลกาบาลที่สมบูรณ์สรุปลงแล้วทําความเข้าใจว่าโลกาบาลมาโกรธตราดูที่จิตใจนี่เองจะเกิดประโยชน์มากตามหลักในการจัดภูมิต่างๆสัตว์ดิเรกชนันเป็นอบัยภูมิต่ํากว่าภูมนุษย์และสวรรค์พระอ า, านจนารย์จึงกล่าวว่าในสวรรค์ ไม่มีสัตว์เรชาานการเกิดในสวรรค์เกิดโดยอุปาติกะกำเนิดอย่างเดียวจึงน่ามีปัญหาว่าพวกนาคซึ่งเป็นบริวารของท้ามหาราจะจัดว่าเป็นภูมิอะไรนอกจากนี้บริวารของท้ามหาราจำพวกอื่นชเช่นพวกโกมพันก็มีลักษณะพิกลยักษ์บางพว ก, ก็ดูร้ายเป็นผีเที่ยวสิงมนุษย์ก็มีดูต่ำต้อยกว่าภูมนุษย์แต่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนี้ด้วย ตามที่กล่าวมานี้น่าจะเห็นว่าเกตออกมาจากเรื่องเก่าๆจึงฟังไม่สนิทตามหลักการจัดภูมิต่างๆดังกล่าวสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ทั้งที่สองชื่อว่าตาวติงสัภาวนะแปลว่าพบดาวดึงเรียกกันว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขาสุเนรุซึ่งอยู่กลางภูเขาบริพันธ์ทั้งเจ็ดเป็นแกนกลางของโลกดังกล่าวมาแล้ว นครดาวดึงนี้ท่านกล่าวในคมภีร์ว่าตั้งอยู่ในที่หมื่นโยอดน่าจะนับพาศูนย์กลางเพราะมีกล่าวว่าระหว่างทาวารของปราการหรือประตูกำแพงเมืองอันเป็นทาวากรกลางทั้งสี่ด้านนับในด้านละหมื่นโยอดเป็นนครคิรีที่มีปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมืองโบราณทั้งปวงมีทาวารทั้งหมดพันทาวารประดับไปด้วยสวนและสัตว์โบกกรณีทั้งหลาย ท่ามกลางนครมีปราสาทชื่อเวทยันเป็นที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเราเรียกกันว่าพระอินท์เวทยันปราสาทนี้แพรวพราาไปด้วยรัตนนาทั้งเจ็ในอภิธานัตปฏีปิกากล่าวรัตนาทั้งเจ็ไว้ว่าทองเงินมุกดามณีไพฑูรย์วชิระหรือเพชรปาพานแต่ในที่อื่นว่าคือมณี ไพฑูรย์ประพานมุกดาวิชิระแก้วผลิตแก้วหุมประดับไปด้วยธงรัตนนต่างๆคือธงแก้วมณีมีคันเป็นทองธงแก้วมุกดามีคันเป็นแก้วประพานธงแก้วประพานมีคันเป็นแก้วมุกดาธงรัตนนทั้งเจ็มีคันเป็นรัตนนทั้งเจ็ดมีต้นปริฉัดตะกะสูงใหญ่ภายใต้ต้นไม้นี้มีท่านศิลาชื่อว่าบรรทุกกรรมผล เหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลืองมีสีเหมือนดอกชายพฤกษ์สีครั่งและสีบัวโรยเป็นพระแท่นที่ประทับของพระอินในเวลาประทับนั่งอ่อนย่บลงไปถึงกึ่งกายในเวลาลุกขึ้นก็กลับเต็มขึ้นมาเหมือนเตียงสปริงมีช้างชื่อเอราวันเป็นพหาหนะสำหรับส่งแต่ท่านว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นช้างนี้จึงเป็นเทวบุทชื่อว่าเอราวัน มีหน้าที่คอยในระมิด ต, ตนเป็นช้างสํารับทรงของพระอินทในเวลาที่มีพระประสงค์จะเสด็จออกเพื่ออุทยานกีฬาพรรณน า, นา ถ, ถึงช้างเทวบุตรจําแลงนี้ว่ามีตะพองสามสามตะพองสําหรับเทวบุตรสาสามพระองค์รวมทั้งพระอินทซึ่งเป็นสหายบําเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัยเป็นมนุษย์ตะพองกลางชื่อว่าสุทัสนาเป็นที่ประทับของพระอินทมีบัลลปรัตนะ ซึ่งจะตรงกับคําว่ากูบกระมังมีธงรัตนะในระหว่างปลายสุดห้อยขานพรวนกระดึงหรือกระดิ่งเมื่อต้องลมอ่น อ, อนๆช่วยพัดก็ดังปานเสียงทิพสังคีตอันสนอกประสานกับเสียงดนตรีมีองค์ห้ากลางมนดมีบัลลังก์มณีเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตะพองบริเวณนอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลายผู้บำเพ็ญกุศล ร, ร่วมกันมาแต่ปางบรรณ ตะพองทั้งสาิสามนั้นแต่ละตะพองมีเจ็ดงามีคำพรรณนาถึงสิ่งที่อยู่ในงาแต่ละง่ายิ่งวิจิตพิสดารว่ามีสัตว์โบครณีแห่งปฐุมชาติชูสล่างไปด้วยดอกและใบซึ่งแต่ละใบรู้เป็นลานฟ้อนรามของเทพธิดาท่านนับรักษาจำนวนอย่างลัดเจ็ดอย่างเคร่งครัดในชั้นแกะสลักงาผู้สามารถก็จะนำแกะสลักงาให้เหมือนอย่างที่พรรณนาไว้ได้โดยยาก ช้างเอราวัณสาิสามตะทองน่าจะเขียนภาพได้ยากและดูจะรุงรังไม่งดงามจึงมักเขียนย่อลงมาเป็นช้างสามเสียนเสียนละสองงาซึ่งดูงดงามและเป็นสัญลักษณ์พิเศษว่าเป็นช้างทรงของพระอินทร์โดยเฉพาะเห็นภาพก็รู้กันโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรถชื่อเวทยันทิมมาอาชาไยที่แอกข้างละผ่านมามีบันลังที่ประทับ ปักเวตฉัรกลางกัน้นพร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามที่ม้าอาชาไนนั้นแม้ไม่ได้กล่าววา่าเทวบุตรจำแรงแต่เมื่อวางกฎเกณฑ์ลงไปว่าไม่เทวโลกไม่มีสัตว์ดิรัชานและเมื่อต้องการจะให้มีม้าเทียมรถก็ต้องกล่าวว่าเป็นเทวบุตรจำแรงเช่นเดียวกันและในคัมภีร์รุ่นเก่ากล่าววา่าเทียมม้าหนึ่งพส่วนในคัมภีร์รุ่นหลังกล่าวขายายออกว่าเทียมแอข้างละพัน จ 2, ึงรวมเป็นสองพเมืองนครตรตรึงเรียกในไตรผู่พระร่วงนี้เบืองบูรพททธมีอุทยานชื่อนันทนวันและจุนันทนาวันมีสะโบขรณีชื่อนันทะและจุลนันทาแท้ฟ <oons> ังสะโบขรณีนั้นมีแผ่นหินบาตชื่อว่านันทาและจุลนันทาเบื้องทักษิณทิศมีอุทยานชื่อปารุสกวัน มีพัทราโบคารณีหรือสุภัทราโบคารณีมีแผ่นหินดาชื่อว่าภัทราและสุภัทราเบื้งปัจฉิมทิศมีอุทยานชื่อจิตรด ร, จจตรดาวันหรือจุลจิตระดาวันมีสาจิตตาโปคารณีหรือจุลจิตตาโปคารณีมีหินดาจิตราหรือจุลจิตราเบื้องอุตรทิศมีอุทยานชื่อมิศกวัน สัทธรรมาโปกรณีหรือสสุธัมมาโปกรณีมีแผ่นหินดาธรรมาหรือสุธัมมาด้วนอีสานทิศมีอุทยานชื่อมหาวันและปุนทริกวันในปุนทริกกวะโนทยานนั้นมีต้นปริฉัตตกะซึ่งภายใต้มีท่านปุนทุกัมพระศิลาดังกล่าวแล้วถัดต้นปริฉัตตกะนั้นออกไปมีสาลาใหญ่ชื่อสุธัมมาเป็นเทวสภา ที่ประชุมสภาเทวดาเบื้องทิศอาคเนมีพระเจดีย์ทองชื่อจุรามณีงามรุ่งเรืองด้วยทองอินทนิลรางองค์เป็นทองจนถึงยอดประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีกำแพงประดับด้วยธงล้อมรอบวนะหรือป่าหรืออุทยานหรือสวนพระอิน์นครดาวดึงในอภิธานัปฏีปิกาว่ามีสีคือนันทนวันมิศกวัน จิตลดาวันหรือจิตลดาวันภารุสกาวันแต่ในที่อื่นเรียกปารุสกวันแทนภารุสกวันก็มีในตรายภูมิพระร่วงเพื่อ ม, มหาวันและปุณธริกรวันในทิศอาคเนตต้นไม้ที่ใหญ่มีอายุยืนนานตลอดกับกันตามคดิโบราณว่ามีอยู่เจ็ดต้นคือหนึ่งชมพูหรือไม้ว่าประจําชมพูทะวีบสองสินพรีหรือไม้นิ้ว ของพวกครุฑสกระทําพะหรือไม้กระทุ่มประจําอมรขวยานทวีป 4. กัปปรุก ข, ขะหรือกละปะพฤกประจําอุตรคุรุทวีป 5. ้สิรีสะหรือไม้ทะึกประจําปุพภวิเทหทวีป 6. ปริชาตกะหรือปริชาต์หรือไม้ปริชาติถิบประจําพบดาวดิง7จ็จิตปาตรีหรือ ไม้แครไฟทิพ ป, ประจําพบอสูรซึ่งเป็นบุพเทพของชั้นสวรรค์ดวดึงบุพกรรมของพระอินท์พระอินท์ซึ่งเป็นพระราชาของเทพชั้นดาวดึงมีประวัติเล่าไว้ในอัตถกถาทั้งหลายว่าก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวราชได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมันจะลักขามในมคทรัสเป็นบุตรของสกุลใหญ่ได้นามในวันขนามนามว่ามคคุมาน เรียกการมือเติบโตขึ้นว่ามคคมานกมีภริยาและบุตรทดาลาคนมคคมานกให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดและพอใจแผ่ถางภูมิประเทศปราบเกลี่ยพื้นที่สร้างศาลาปลูกต้นไม้ขุดสระน้ำทําถนนหนทางทําสะพานจัดทาจัดหาตุ่มน้ำและสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนถ้านใบนบทนี้ก็น่าจะตรงกับที่เรียกว่าเป็นนักพัฒนาท้องถิ่น มีปกติชอบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นที่เรียกว่ารมณิยะต้องการให้ท้องถิ่นทั้งหลายเป็นรมณียสถานทั่วๆไปดังที่เล่าไว้ในอัจฉริยเริ่มเรื่องว่ามข้ามานพไปทํางานในหมู่บ้านก็ใช้เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนให้เรียบคนอื่นเข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธถอยไปทําที่อื่นให้เรีบต่อไปคนทั้งหลายก็มักพากันยึดที่ซึ่งมค้มานพเกี่ยเรียกไว้แล้ว มข้ามานเพเห็นว่าคนทั้งปวงมีความสุขด้วยกรรมคือการงานของตนฉะนั้นกรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สุขแก่ตนแน้่ก็ยิ่งมีจิตขมขมเข้นที่จะทำพื้นที่ให้เป็นรมนิยะมากขึ้นจึงใช้จอบขุดปราบพื้นที่ให้เรียกเป็นลานให้แก่คนทั้งหลายเอาใจใส่ให้ไฟให้น้ำในเวลาที่ต้องการต่อไปเขาแพ้วถานสร้างทางสำหรับประชาชนชายหนุ่ม อ, อื่นได้เห็นก็มีใจนิยม ก็มาสมัครเป็นสหายร่วมกันทำทางเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนนับได้สาคนทั้งหมดช่วยกันขุดกล่นถมทำ ถ, ถนนยาวออกไปจนถึงประมาณโยชหนึ่งสองโยต์ฝ่ายในบ้านเห็นว่าสหายสาสามคนเหล่านั้นประกอบการงานที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิกแต่สาปริสามหายกล่าวว่า พวกตนทำทางสวรรค์จึงไม่ฟังคำห้างของนายบ้านพากันสร้างทางต่อไปนายบ้านมีความโกรธจึงไปทูลฟ้องพระราชาว่ามีโจรคุมกันมาเป็นพวกพระราชาไม่ได้ทรงพิจรารณาไต่สวนมีรับสั่งให้จับมาทั้งสาสาคนแล้วรับสั่งให้ปล่อยช้างให้เหยียบสีให้ตายให้หมดมรขามานบได้อว่าสหายทั้งหลายให้พร้อมกันไม่ทำความโกรธแผ่เมตตาจิตไปยังพระราชาหนึ่ง ในบ้านหนึ่งช้างหนึ่งในตนเองหนึ่งให้เสมอเท่ากันทั้งสีฝ่ายชนทั้งหมดได้ปฏิบัติอย่างนั้นช้างไม่อาจจะเข้าไปใกล้ด้วยเมฆตาลุภาพของชนเหล่านั้นพระราชาทรงทราบมีพระดําริว่าช้างน่าจะเห็นคนมากจึงไม่อาจเข้าไปเหยียบจึงรับสั่งให้ใช้เสื่อลำแพนปูปิดพวกเขาเสียแล้วปล่อยให้ช้างเหยียบแต่ช้างก็ถอยกลับแต่ไกลพระราชาทรงกลับได้พระดําริ ข, ขึ้นว่า น่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องนี้จึงรับสั่งให้นําคนเหล่านั้นเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตรัสสอบถามมค้ามานพและสหายให้กราบทูลให้ทรงทราบโดยตลอดพระราชาทรงปรดับแล้วทรงโศมนัดทรงขอโทษมค้ามานพและสหายแล้วทรงปลดนายบ้านออกจากตําแหน่งทรงลงโทษได้เป็นทาดของพวกเขาและได้พระราชทานช้างนั้นให้เป็นภาชนะพร้อมกับบ้านหมู่นั้นให้เก็บสวยบริโภคตามความสุข คือทรงตั้งให้เป็นนายบ้านแทนคําว่านายบ้านเรียกว่าคามโพชะกะแปลว่าผู้กินบ้านตรงกับคำเก่าวว่ากินบ้านกินเมืองเพราะตามธรรมเนียมในครั้งนั้นผู้ที่ได้รับตําแหน่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองย่อมเรียกเก็บสวยในบ้านเมืองนั้นบริโภคสหายทั้งสามสาเมื่อพ้นโทษออกมาทั้งได้รับพระกระฐานกําลังสนับสนุนก็ยิ่งเห็นอนิสง์ของบุญมีใจผ่องใสคิดอานทงบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีก ได้วางกำหนดการสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนเป็นถาวัลวัตถุที่ขนทางใหญ่สี่แพร่งได้เรียกนายช่างมามอบหมายให้ทำการสร้างแต่ห้ามมาตุขามคือผู้หญิงเข้ามาในส่วนสร้างศาลานั้นมค้ามานพมีพัญญาสี่คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมมานางสุชาดานางสุธรรมมาได้สินบนนายช่างขอให้ช่วยให้ตนเป็นเชิดขะคือให้ออกหน้าในศาลานี้ นายช่างรับรองและแนะนำให้จัดหาไม้มาตากให้แห้งให้ถากแกะเป็นช่อฟ้าซ่อนไว้ต่อมาเมื่อการสร้างศาลาเสร็จเว้นแต่ช่อฟ้าในวันยกช่อฟ้านายช่างแจ้งว่าลืมทำช่อฟ้าไว้เสร็จแล้วและไม้ที่ตัดในบัดนี้ก็ใช้ทำไม่ได้ต้องตัดตากไว้ให้แห้งก่อนจึงจะทำได้แต่ถ้าจะมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายที่ไหนก็ควรจะหาซื้อมาชนเหล่านั้นพากันเที่ยวหา พบช่ฟ้าในเรือนของนางสุธรรมมาก็ขอซื้อนางสุธรรมมาไม่ยอมขายแต่จะให้เพื่อให้ตนมีส่วนร่วมในการสร้างศาลา ด, ด้วยชนเหล่านั้นก็ไม่ยอมนายช่างกล่าวว่าไม่มีที่ไหนจะเว้นเสียได้จากผู้หญิงนอกจากพรหมโลกเท่านั้นขอให้ยอมรับช่ฟ้าของนางสุธรรมมาเพื่อให้การงานสําเร็จพวกเขาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงจึงยอมรับช่ฟ้าของนางสุธรรมมาโปรดติดตามรับฟัง 45, สี่ห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพพลสมเด็จพระยางสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกนมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป